จิตรวมตูนเมื่อไหร่พอจิตคิดออกไปมันคิดถึงอะไรบางสิ่งพอวิญญาณรับรู้อะไรบางสิ่งก็เกิดนามรูปพันธดีครับนามรูปนั้นไม่ใช่อะไรอื่นตามที่ผมเข้าใจนะก็คือมโนภาพคือรูปแห่งนามเมื่อผมใช้คำว่ารูปแห่งนามนี่เข้าใจยากครับรูปลราเข้าใจนามเราพอเข้าใจเช่นความดีความสุขความทุกข์อะไรเป็ น, เ ป, นเป็นนามธรรมาแต่รูปแห่งนามคือนิมิตภายในครับ ถ้า้สัก้นหนึ่งจะเดินตีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้ววันหนึ่งเขาอ้าปากจะกินข้าวตักข้าวในช้อนแล้วยิ่งช้อนเข้าปากในขณะนั้นมโนภาพปรากฏขึ้นในขณะเดียวกับช่วงที่สมบดีทั้งหมดความรู้ตัวทั้งหมดเกิดทันกันพอดีนะเรียกว่าการรู้การรู้ตัวกับวิญญาณที่ปรากฏนำนารูปมาทันกันพอดีมันจะสลายลงทั้งคู่ครับ ความเงียบจะปรากฏเป็นเนื้อหาของชีวิตให้เห็นเปิดเผยความจริงของความเงียบเชียบความไม่มีอะไรเป็นฝักฝ่ายไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะความไม่มีอะไรเป็นฝักฝ่ายการที่เห็นความไม่มีเป็นฝักฝ่ายของสองขั้วเนะี่ยเห็นได้โดยมักเท่านั้นเห็นด้วยความคิดปูงแกงไม่ได้ครับเจ้าเราบอกว่าทองกับดินเหนียวเหมือนกันเนยเห็นด้วยสายตาแยกไม่ได้มันค้านตัวเองตลอดเวลาเพราะจิตมันยึดทองว่าเป็นทอง ยินทองก็ได้ชื่อทองนะครับทองคําไม่ได้ยิงทองคําเลยดินก็ไม่ได้ชื่อดินมันไม่มีชื่อมันไม่มีนามมาแต่ก่อนพอเราบรรจับนามขึ้นตอนนั้นเราก็สามารถนึกถึงทองคําได้ถึงสีเหลืองอลามน่นมามกกว่านั้นเรามีความรู้ภูมิหลังว่าเทาทองคําไปแลกจะได้ความร่ารวยมั่งมีนะจิตก็ฝังแน่นลงไปในนั้นเลยนะพอ น, นึกถึงทองมันแยกเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงครับดินเหนีย นึกถึงมะพร้าวมันไม่ใช่ตาลทั้งสิ่งเหล่านี้ตาลกับมะพร้าวผู้หญิงผู้ชายภาวะที่ดูหลากหลายผิดแผงหมดกลับเป็นราคาเป็นศูนหมดเพราะทองคําราคาเป็นศูนครับกว่าหน้ามนุษย์จะบัดขึ้งในจักรวาลหรือในโลกนี้ทองคํามีแต่เป็นศูนเป็นศูนย์ไม่ได้หมายมันไม่มีนะมันปรากฏแต่ค่ามันเป็นศูนย์ศูนย์ในนี้หมายชาเล่ชนิตครับในในชนิดสามที่เราขาย ราคาศูนย์ไม่ใช่มีมค่าเลดินเหนียวก็ศูนย์แต่พอมิติของความคิดเข้าไปจับมันจากศูนย์มันเคลื่อนเป็นเป็นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านใน 1, สุดต้องค่ากันเพื่ อ, อแย่งธาตุทองคำซึ่งเป็นาธาพธรรมดาธรรมดาที่มดูไอ้าอีกประเด็นหนึ่งนะยอมเติมเลยครับว่าข้อหมายที่พระเจ้าบอกไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ช ต, ชตนคืออะไรกันน โดยพระวิญญาณวิญญาณภาพมคำนิยามขั้นพู้นฐานคือวิญญาณคือผู้รู้ผู้ลิ้มผู้ด ม, มความควมคิดที่ว่าเป็นผู้ผู้ลิ้มผู้ดูผู้ชิม ผ, ผู้เปรี้ยวผู้แคมปนะ์นี่คือวิญญาณเราคงไม่หลงเรียกไฟที่เกิดขึ้นที่ธรรมสถานนี้นะถ้าเราคุณต้นก่อกองไฟขึ้นตะกองหนึ่งด้วือ เราคงไม่ถึงกับจับจองว่านี่คือไฟธรรมสถานเช่นเดียวกับไฟที่จุดขึ้นที่阿拉斯加คงไม่มีชาว阿า斯 ก, กาันไหนโง่เง่าถึงขนาะบอกไฟ阿าสก้าไฟคือไฟมันเป็นภาพสากลแต่ว่าภาษาไท่เรียกไฟสระหนึ่งชาวเอสติโมเรียกชื่อหนึ่งแต่ว่ามันไม่อาจถูกจับจองเป็นของอะไรได้เลยมันเป็นภาพสากลเช่นเดียวกันน้ํา ขุดลงตรงนี้ได้น้ํากับที่อเมริกาที่มาเลเซียก็เป็นน้ำเหมือนธาตแท้ดินน้ําไฟลมไม่มีทั้งชื่อไม่มีทั้งเจ้าของแต่ไม่ใช่ไม่มีอยู่ครับมันปรากฏอยู่จริงๆแต่มันปรากฏอยู่ในลักษณะอิง ก, กันเกิดปัจจัยต่างๆเหมือนที่พระเจ้าบอับบางเนี้ยอิทธิทปฏิยาตาสิ่งทั้ ง, งปวงไม่ตั้งอยู่ได้โดยตัวมันเอ ง, โ ด, เองโดยเอกเทศมันอิง ก, กันเกิดถ้าดึงอันหนึ่งออกอันหนึ่งจะล้มตาม สิ่งี่น่ากลัวมากในภาวะท้าทายในปัจจุบันนะที่มนุษย์เป็นเหตุของการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ของสัตว์บางชนิดและชวนสงสัยมนุษย์จะอยู่ได้หรือเปล่ามันกฎของอิทพิพาตานะั้นทุกสิ่งอิง ก, กันเกิดและอิง ก, กันดับเมื่อ น, นี้ดับอันนี้จะดับอันนี้จะดับอันนี้จะดับผมว่าน่ากลัวน่ากลัวทีจริงๆต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในโลกนี้นะครับก็ไปสู่เรื่องวิญญาณครับวิญญาณก็เหมือนธาตุดินน้ำไฟลมมันปรากฏที่นี่ หรือปรากฏในขณะที่ปรากฏมันปรากฏขึ้นมันไม่พอที่เรียกวิญญาณของนายก่อเหมือนกับ น, น้ําไม่พอที่เรียกน้ําของประเทศไทยเราพูดไม่ได้ครับถ้าพูดก็เป็นเรื่องสมมติแต่แล้วเราก็ยึดปิดสมมุติในทางวิญญาณว่าวิญญาณของไปเกิดแล้วคนที่ไปเกิดมันวิญญาณของท่านด้วยครับปัญหาเรื่องปรโลกหรืออัอนอันตรภพก็คือเวลาเราคิดเรื่องการเวีนว่ายตายเกิดเรามีความสงสัยว่า ตัวชั้นหรือเปล่าที่ไปเกิดใหม่เราไม่อาจคิดว่ามีการเกิดแล้วไม่เกี่ยวกับตัวตนไฟเมื่อก่อขึ้นแล้วนะถ้าเราดับมันสูญไปถึงช่วงนิรันดรหรือเปล่าสาเหตุปัจจัยก็ะจุหมอกมันก็ติดขึ้นอีกหมดที่เนียนก็ดับอีกถามว่าฐานะของไฟตั้งอยู่เป็นอะไรคําตอบคือเดียวเช่นเดียวกับมะม่วงครับคือมีแบบไม่มีครับ ผมกังชวนพูดในเรื่องโมหารที่แปลกประหลาดแล้วครับแต่นี้กป็นะเนื้อหาที่สำคัญมากเมื่อปัจจัยพร้อมสิ่งนั้นจะเกิดเมื่อปัจจัยดับสิ่งนั้นจะดับนั้นความดารงทรงอยู่ของสภาวะต่างๆนั้นอยู่นอกเหนือภาษาและความคิดภาษาและความคิดสวิงสุดขั้วไปมีก็ไม่มีเท่านั้ น, นครับอระเจ้าบอกว่าท่านเองไม่ได้สอน จุดตวงชนีเขาบอกว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็จะดับนั้นตัวสภาวะนั้นมันเป็นอัพยากฤรครับภาษาคําพูดไม่อาจนำทางเราไปถึงที่ตรงนั้นได้แต่ภาษาและคําพูดนําทางมาถู่กุญแจซึ่งล็อกอยู่เท่านั้ น, นครับนํามาสู่บ้านซึ่งประตูล็อกตายอยู่แต่ว่าภาษาดีนะครับถ้าไม่มีคําพูดของพระเจ้าเนะนํามาเราจะไม่มาที่ที่ ที่ประตูใดเราได้ครับเราไม่อาจเชื่อได้เลยว่าเราจะบรรลุถึงอะไรทางใดได้สมมติอยู่ดีๆนะผู้เจ้าไม่เกิดมาผู้รู้ไม่เกิดมาเนี่ยพวกเราคงคงเหมือนกับผมหรือท่านก็เหมือนกันคงต้องหาเงินเลียงลูกต่อชู้ไม่มีข่าวคราวหลือว่าทางรอดอยู่ตรงไหนมันไม่มีนี่ครับแต่พอผู้เจ้าเกิดขึ้นมาท่านใช้ปัญหาเนะครับแล้วคาคืนทุกคําคืนของผู้เจ้าคือคาคืนการตรวจสอบ ว่ากว่าบางพระสูตท่านเสด็จเดินจงกรมแล้วก็คืนพ ร, รมปฏิจจสมุปบาทธรรมวิชชาท่องเกิดสังขารสังขารท่านากิดวิญญาณลาวว่าท่องบนมนพระพิสุซึ่งเป็นฮินดูมาก่อนก็เข้าจะิดสงสัยพระองค์ท่านยังติดนิสัยพวกฮินดูหรือเปล่าสังวัตรพยายมน์ท่านบอกเปลา่านะกันแน่ฟังว่าสิ่งนี้สําคัญดันั้นทุกค่าคืนการพยากรปัญหาเทวปยาดานั้นคือมิติที่ลุ่มลึกที่พระเจ้าพยาพยามค้น วีธีทางที่อธิบายมนุษย์เข้าใจได้ตรง่ายย้อนรอยไปอดีตพุทธวัตอชนิดนี้ครับในใต้ต้นโพเหตุการณ์ในใต้ต้น โ, รในในโธรรมนียามปรากฏขึ้นแต่ไม่มีธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติถึงเกิดช่วงหลังนะพูับเจ้าบัญญัติขึ้นทีีละข้อทีละข้อทีละข้อขอให้ผมใช้อัตนัยนะครับอธิบายเหตุการณ์อุปการผีว ที่สวนทางพระเจ้าพระเจ้าสเสด็จไปการศีเพื่อโปรดปัญจวัคคีนะครับเจอสวนทางกันเขาเห็นอินทรีผ่องใสเขาจะถามว่าท่านเป็นใครอินทรีผ่องสใยนักท่านชอบใจสมรังใครล้วพระเจ้าบอกเราเป็นเซียมปูรู้เองไม่มีครูเราไม่ใช่ครุฑไม่ใช่มากก็่ใชคนทันเธอจงจำว่าเราคือพุทธะเขาแอบล่งหลอกท่านเขาไม่เชื่อครับเพราะพระพเจ้ายังไม่มีคำว่าบัญญัติคือคําขันห้ายัางไม่ปรากฏคําว่ากตรลักษ์ยังไม่มีในในใน วิตีของท่านแต่ท่านเข้าถึงที่สุดแล้วครับตอนนั้นเริ่มบัญญัติขึ้นแล้วบัญญัตขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะเช่นเดียวกับบัญญัติวินยัยธรรมะให้ถูกบัญญตัติเรื่อยๆเพื่อหาวิธีที่จะสื่อสิ่งที่พูดไม่ออกบอกไม่ได้ให้ถึงใจมนุษย์จงได้แต่แน่นอนที่สุดครับไม่อาจถึงใจก็ได้ถึงสมองถึงความคิดก็ได้เขาเท่านั้นที่จะเข้าถึงใจเขาได้เราเท่านั้นที่เข้าถึงใจเราได้ผู้รักสามีภรรยาเข้าถึงใจเราไม่ได้หรอก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 ผมอาจจะยกตัวอย่างตกขันหน่อยนะจากเรื่องใครอยู่นะครับตัวแห่งเจริงหมายพุท ธ, ธิปัญญาอยู่ในถ้ำน้ําครับคนเข้าไปไม่ได้มันสวนกระแสมนุษย์เราจะเข้าถึงปัญญาชั้นสูงพุท ธ, ธิปัญญาได้ด้วยความคิดไม่ได้ครับความคิดรังแต่จะสร้างโลกขึ้นเองโลกนี้ถูกสร้างด้วยความรู้สึกในชิดครับเดี๋ยวไปดูเครื่องบินในท้องฟ้าที่บินอยู่ แต่ชื่ อ, อมันก็เป็นความคิดเป็นความทรงจำรูปทรงมันเกิดจากความคิดของอินจิเนียร์ครับทุกอย่างในเครื่องบินมัความคิดเท่านั้นครับหันไปดูโลกถนวนหนทางนี้เหมั้นเมืองจึงล้อมจับเราให้อยู่ในความคิดของเราเองอย่างไรเหตุผลที่สุดครับเมื่อเราไปที่ริมป่าริมบึงจิตเราโลง่งเราหลุดออกจากความคิดตัวเองครับที่นั่นไม่มีบรรยทธดอกบัวไม่ได้ชื่อดอกบัวทะเลไม่เคยชื่อทะเลเลยเชื่อไหมครับ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 ไม่ให้ไม่ยอมตกเป็นทาสก็มานึ่งต่อแล้วจะเกิดการกรบฏขึ้นมาอันดีต่อความคิดแต่กบฏต่อความคิดนั้นอันตรายอยู่นะผมหมายว่ามีการกอ่อข้อกอวอดของความรู้สึกตัวชีวิตสัมผัสล้วนๆะพอกันธีสําหรับชีวิตของตักกัพอกันธีสําหรับชีวิตคิดนำทางมาตลอดเวลาแล้วมีแต่ความเจ็บปวดปวดหัวเป็นกระถมคิดมากก็มึนงง คิดมาต่อยคิดธรรมาะนะแล้วคนคิดธรรมะมากนั้นเข้าข่ายที่ขอโทษนะครับผมไม่ได้ว่าเจาะจงอะไรบ้าธรรมะครับกลารเปิดเผยในสังคมคือลำพึงลำพันถึงธรรมะแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับดันนี้นสุดเราจะงงมากว่าธรรมะมันคืออะไรกันแน่แต่ถ้าเราจับความรู้สึกจดตลอดง่ายดีๆสอบตอบไปกี่ร้อยคำก็ได้นะแต่ว่ามีรากฐานตรงความรู้สึกได้ ลองฟังคำของผมบ้าง น, นะครับธรรมะคือความรู้สึกที่ดีงามไม่ไม่ใช่ธรรมะคืออะไรที่มันสลับซับซ้อนเนี่ยเลยคือความรู้สึกที่เราปลอดโปร่งเบาบางธรรมะคือตัวเราครับแต่ไม่ใช่ตัวเราที่หนักทึบและหมักหมมแล้วก็ถูกคร่อบงำ ม, มาด้วยอารมณ์โกรธเกลียดนี่ก็เป็นธรรมะเหมือนกันแต่เป็นธรรมะทุกอย่างนั้นเรา ผู้ไม่รู้จึงการคนดีแต่ทุกข์ครับคำว่าคนดีแต่ทุกข์ผมก็ได้แบกดันครานะคือว่าตัวเองว่าอะไรทุกๆคนเลยครับว่าเวลาทุกข์กันมาดีแต่ทุกข์ไม่พดุงในความรู้ตัวที่อยู่เหนือทุกข์ขึ้นมานะมันเหมือนกับว่าเราไม่เคยใช้งานอรยาวะบางสิ่งซึ่งสำคัญมากๆเลยนะผมจะเรียกในที่นี้ว่าอายะชนะไม่มีความทุกข์อายะชนะไรทุกข์ มันคือตาของชีวิตนั่นเองครับดวงตาซึ่งมันหลับอยู่แล้วมันง่วงมันเห็นอะไรคลุมเครือตลอดเวลาเราก็ปลุกมขึ้นมาเราความรู้สึกตัวขึ้นมามันไม่สําคัญเลยครับมันจะถูกเรียกว่าอันเยวกสติหรือไม่ไม่ได้สําคัญเลยครับแต่เราโม้ตกเพียงปัญหาว่าสติหมายถึงอะไรในสุดเหมดเวลาวันหนึ่งในสุดปีหนึ่งในสุดสิบปีในสุดยี่สิบปีปัญหาในพุทธศาสนาไม่ใช่ปัญหาเรื่องนิรุตติ ไม่ใช่ปัญหาภาษาไม่ใช่ปัญหาวัฒนธรรมไม่ใช่ปัญหาการเมืองแต่ปัญหาตรงนี้ทำอย่างไรจึงจะเข้าให้ถึงให้ตรงได้ในสิ่งที่เจ้าอยากให้เรารู้วันหนึ่งท่านเอามือกจับใบไม้มาแล้วก็ถามภิกษุหลายท่านรู้มาเรื่องเรานี้ดีถามภิกษุในที่ประชุมว่าใบไม้ในกำมือสถาคตักับใบไม้ทั้งป่าในมากใน้อยกว่ากันซึ่งเป็นปัญหาที่ตอบง่ายมากกับมันเทียบกันไม่ได้เลย ถ้าท่านบอกับสิ่งที่ท่านสอนจริงๆหรือเจตจำนงที่ให้คนรู้เนี่ยเท่าเนี้คือเรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกข์เรื่องเหตุเรื่องความดับทุกข์ที่มีอยู่แล้วในอนเขาวันนี้รอดแต่มันมีอยู่แล้วนะส่วนทางท่านเพ่งประกาศท่านประกาศว่าเมื่อไตไปตามทางอนี้นะก็จะไปถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วนี้ได้คือในรอซึ่งเป็นอยู่แล้วนะสันนิพนานนั้นสร้างขึ้นไม่ได้ไม่ว่าด้วยภาษาหรือด้วยเครื่องมือชนิดใดนะครับเดี๋ยวประดุจว่าเราจะเดินทางไปเชียงใหม่ คือรถ ด, ดูล้โพงรถไปนะหรือรถทัวร์ก็ได้ก็เดินทางนั่งนอนไปขึ้นคื น, นหรือจนสว่างถึงเชียงใหม่แต่เชียงใหม่ไม่ใช่ผลการไปของเราเชียงใหม่มีอยู่ก่อนที่เราคิดจะไปสินั้นสภาวะสิ้นทุกข์หรือนิโรธนิโรธธาตุมีอยู่แล้วครับสภาพดับเย็นอันนี้เป็นคุูสมบัติดั้งเดิมอยู่ในตัวเราเรา ใจไปตามบริมากเมืงแปเพื่อเข้าถึงสิ่งที่เป็นสมบัติแท้ๆของเราด้วยครับแต่ถ้าเราใช้ความคิดเราก็สร้างนิพพานไปเองเหมือนรักที่อื่นวันสุดท้ายที่สาวกอุณชายถามถามปัญหาประเด็นสกัดกันนะฮะสาวกอุณชัยสุภะถามว่าศาสนาอื่นมีพร ะ, ะเจ้าหรือเปล่ามีผู้รู้อย่างนี้หะมีมรรคผลอย่างนี้กรือเปล่าพระเจ้าบอกเธอมีเวลาน้อยแล้วแล้ ว, ลวก็สนอม ศาสนาอื่นก็ว่างเปล่าจากมรรคผลในตักหนาวคือมันไม่เหมือนกันท่าไม่ไปเสด็จเขานะผมเชื่อ น, นี่เป็นคำตอบของจอมปลัดจริงๆที่ไม่ปฏิเสธคนอื่นแต่บอกว่ามันไม่เหมือนกันเพราะคนอื่นก็สร้างมรรคผลขึ้นด้วยความคิดอย่งนั้นจึงมีมิจฉาสิประการตรงข้ามกับสัมมัตสิทธิการมิจฉาทิฏฐิเป็นผฐมแล้วก็มิจฉาสมาธิและมิจฉาญาณนะมิจฉาวิมุตติมิจฉาญาณครับ คือเกิดยานมัหลุดพ้นแล้วด้วยแต่มัหลุดพ้นแบบมิดถาคือคือโลกของการคิดมันสร้างขึ้นนะครับผมผมบอกแล้วว่าเมื่อคิดเองหลุดพ้นก็หลุดพ้นแต่มัหลุดพ้นเบาๆวอร์ไปเลยหลุดพ้นแบบแบบติดยึดอยู่ในความหลุดพ้นหรือแม้ใเรื่องจิตว่างนะเราบอกว่าไม่ยึดมั่นถรืมั่นเราก็เลยไม่ยึดจริงๆแต่ว่ากลายเป็นยึดความไม่ยึดยึดถือความไม่ยึดเป็นสาระไปเลยนั้นมันแอมว่าเรื่ออันตรายต่อสิ่งนี้นะครับ ถ้าเงื่อนต้นของความจริงอันนี้ไม่ถูกสารวจคือระหว่างองค์กรที่แปลงความให้เป็นความหมายคือความคิดองค์กรนี้สำคัญนะร้ายกาจเมื่อเราเห็นดอกไม้ป้อมโนคิดทันทีเลยนั้นจะต้องเอาตัวที่อยู่นอกระบบของความคิดครับผมบอกแล้วความรู้สึกสดความรู้สึกสดนี่จะปรากฏ ไม่ไม่ต่อเนื่องแล้วน้อยสําหรับคนที่ทุสีนนะครับใช้คาทุสีนซึ่งไม่ใช่คำประนามคําด่าว่าอะไรทุสินแล้วมีสินไม่ไม่ไม่ดีนั่นเองสินไม่บริสุทธิ์ทุสินแปลว่าด่างพร้อยนั่นนั้นเองครับเช่นดึงชลาหม่องๆไม่ถึงคล้องศีกษ์ศรก็มันก็เบลอจีิไหมครับไปเสพหรือพูดเท็จบ่อยๆความรู้ตัวของมันพูดเรื่องไม่จริงตลอดเวลาจิตสํานึกเกิดแขวนด้วยความไม่จริงมีเหลี่ยมคูตลอดเวลา พูดอะไรนี่ต้องต้องเพียนไปจากความจริงตลอด แ, วแนวโน้มก็เพียนยนเหมือนกันความรูนน้ตัวก็น้อยลงไปนอนในที่นอนนั้นอ่อนนุ่มสติก็อ่อนความรูนน้ตัวก็น้อยลงจริงอันนี้ครับเป็นอุตส่าห์พระเจ้าก็บรรยายให้ในฐานะที่ศีลศีลไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับแบบทหารนะเป็นเพียงอะไรสังกฤษเรีไกดไลน์เท่านั้นนะครับบอสศีลหรือวินัยคล้ายๆกับเป็นราวสะพานครับคนแข็งแรงจริงไม่ต้องอิงราวสะพานแต่มีน้อยนะครับ พูดก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผมไงแข็งแรงไม่ต้องไม่ต้องพึ่งวินัยก็ได้สีเหล่านั้นในเหล่านั้นเป็นราวสะพานสําหรับประคับประคองเมื่อเราต้องเดินข้ามสะพานซึ่งข้ามยากปราจะจากราวพานแล้วอันตรายเกิดขึ้นได้ง่ายแต่แน่นอนสาหรับคนที่เข้มแข็งจริงๆรล่างก็มีพลานามัยจริงๆริงเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมได้เลยหลายองค์ในธรรมบด ที่ถูกนำเสล็ไว้เป็นประวัติไม่ได้รักษาสิ่งน้องค์พิมานไม่ได้รักษาครับพายะก็เหมือนกันแถมก่อนหน้านั้นเคยปฏิบัติหลอกลวงประชาชนด้วยครับพระพายะเนี่ยคือ ท, ท่านเป็นพ่อค้าแล้วก็เรือแตกพอขึ้นฝั่งไม่มีเรื่องธามาหากินเลยแ้ท่ทาเป็นผ้าอรหรันทำบไม้กลัดนุ่งแล้ว ท, ท, ทาทำาซีเป็นอรหรันประกาศต้นเป็นอาหารก็อยู่ดีกินดีขึ้น แต่วันดีคืนดีวันหนึ่งได้ยินข่าวว่าพุทธเจ้าจริงๆเราึ้นแล้วท่านร้อนใจนะแสดงเนี่ยเชื้อคุูโสระติกัยังแฝงอยู่จึงนึกออกว่า เ, เราหลอกเขาก่อนหน้านั้นไม่กลั้งใจจะหลอกแต่ว่ามันเป็นทางสะดวกทำมาหากินสะดวกดีเพราะเอชไซดก็เดินทั้งวันทนั้งคืนไปทบพระพุทธองค์กำลังแสวงหา บ, บินบาศอยู่ในะเข้าใจในในตลาดหรือในชุมชนก็ไปจับข้อเท้าแล้ว ถามสั้นๆซึ่งคาตอบนั้นลือลั่นเป็นทุกนิกายของผูธธนน้สังหารแม้มหายานทีย่ยอมรับว่านี่เปนยอดไปกึนคำตอบโดยคําตอบอยิ่งสั้นๆที่สุดทําให้คนพลิกชีวิตได้ผมไม่เชื่อเฉพาะไายะเท่านั้นหลายคนพลิกชีวิตได้ด้วยคําพูดที่เหมาะสมเมื่อนะถามว่าปฏิบัติธรรมสิ้งถึงที่สุทุกทําอย่างไรคผู้ตรงทรงจงัดห้ามสามครั้งบอกเวลานี้ไม่ใช่การเพราะท่านบินบาส จะมาเห็นกิริยาซึ่งแปลกประหลาดอุปนิสัยจริตซึ่งแปลกประหลาดของภายะคืออยากไข้รู้อย่างรุนแรงเนียท่านเตือนให้ท่านสติให้ดีท่านจะพูดละโดยย่อเราพูดยอด่อเมื่อใดตายลูกสองแต่เห็นคือจิตไม่ปรงแต่งนั่นเองเป็นการเห็นทึ่งสมบูรณ์ไม่มีตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องเลยไม่มีภูมิหลังไม่มีการแยกแยะไม่มีการซ้ําเติมลงไปด้วยภาษาว่าฉันกําลังเห็นนะ นี่เป็นขความคิดครับมีการเห็นอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ใยในตัวมันเองเมื่อใดตาให้ลูกศักแต่เห็นคือเห็นล้วนๆนะครับหูได้ยินเสียงก็ได้ยินล้วนๆสมบูรณ์แบบไม่ใช่ไม่ได้ยินหรือได้ยินครึ่งๆกลางๆเมื่อใจจิตใจรู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ไดตัวนี้สำคัญที่สุดนะคือรู้ล้วนๆครับโดยไม่มีภูมิหลังเข้าไปจ ไม่มีความคิดแทรกซอนว่าฉันกำลังรู้ธรรมะสังเกตดูเวลาเราสงบนะนั่งสมาธิจิตสงบนะมันพูดกับตัวเองว่าวันนี้สงบดีจังจิตมันจะวิาพากษ์วิจารมตลอดเวลาครนะับนั้นประเด็นแรกที่สุดข้อแนะนำเบื้องต้นที่สุดในการภาวนาคนระ่ อ, อนสิงกับทคตภายในสิงทุกทิพกับตัวเองนะครับไอ้ตัวนี้ร้ายดูมันโทษมันน้อยแต่ว่ามันลบกวนมากมากครับ พอนั่งเขเริ่มสงสัยครูบาอาจารย์สอนจริงๆรล่วอ๋อแล้วมันเริ่มมันเริ่มหลอกล่อพอเริ่มดูจิตมันจะภาคด้วยครับเราก็มังดูจิตนะเราก็มังดูความคิดแล้วพอสงบนี้โอ้โหความความสงบดีจังเลยตัวตนมันก็โตขึ้นเรื่อยๆครับผู้ดูมันก็แผ่ขยายแล้วเริ่มยากเพิ่อสอนยากครับมันตัวอหางกาอาหังการนั้นจบขึ้นก็ได้ครับ ค่อยคำสั้นๆที่พระเจ้าตรัสกับภรายะประมวลสรุปสุดท้ายว่าเมื่อเธอทาอย่างนั้นเมื่อใดตายรูปสักจะเห็นไม่มีความคิดตึงตึงนั้นเป็นการเห็นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ในตนัวมันเองครับตักอดีตอนาคตออกแม้จะปัจจุบันก็ไม่ไม่ไม่รบ ก, กวนด้วยความคิดกระทิบกระซาบหูได้ยินเสียงสักจะได้ยินจิตใจรู้อารมณ์ใดก็สักจะรู้รู้ล้วนรู้เฉยๆนะครับ เมื่อ น, นั้นเธอจะไม่ปรากฏในโลกนี้หรือโลกหน้าหรือในโลกท่ามกลางประโยคหลังเนี่ยสำคัญครับเธอคือใครเธอก็ความหมายรู้ตัวตนนะครับภาษาฝรั่งเรียกว่า concept เกี่ยวกับตัวเองซึ่งเราฝังนั่นนิดติดไอ้ตัวนี้มันตัวมายาครับพูดไต่ะระอาถ้าทำอยู่อย่างที่พระเจ้าแนะไอ้ตัวนี้ก็จบสิ้นเลยตัวตนที่บรรลุธรรมก็ไม่มี นั้นคำประกาศของพิษุนีรูปหนึ่งน่าสนใจในะชื่อวชิลาคว่าการเดินมีแล้วผู้เดินไม่มีถ้าคำทิ้งจงง่ายและลึกการกินมีแล้วผู้กินไม่มีทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปติดจากนี้แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับถ้าคำอหลานี้คมเกือบที่จะตัดเขินในความลังเลสงสยัยห แตเรามีนิสัยสด็จอันหนึ่งคือที่สงสายขี่ระแวงเราอา จ, จะระแวงได้ไหมกับพระุทธเจ้านะอย่าทำเล่นกับตัวหางกาเนี้ยนะถึมื่อความสิ้นระแวงต่อพระพุทธพระธรมรมสงสิ้นไปตรงนี้ฐานะอันนี้ถูกรับรองจากพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันเป็นผู้สิ้นเครือบแคลงในพระพุทธ พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมที่ท่านตรัสรู้ตรงแสดง ประสงค์ผู้ปฏิบัติตามข้อลองนั้นพร้อมทั้งศีลที่พระเจ้าชอบใจว่างั้นนะคือศีลมีศีลประเภทหนึ่งนะที่พระเจ้าชอบใจคือเป็นศีลป ก, กติของชีวิตอันนี้เป็นอัตนาขอยางผมนะไม่ใช่ศีลข้อบัญญัติเพื่อความเรียบเป็นระเบียบเรียบร้อยขอสังคมแบบวินัยของตำรวจหรือทหารไม่ใช่อย่างนั้นบางคนอาจจะมีศีลมากแต่ไม่ใช่ศีลที่พระเจ้าชอบใจเช่น ไม่กินอาหารเลยอาทิตย์หนึ่งหรือแบบโยคีเขาปฏิบัติเขารักษาศีลแข่งทัดนะครับการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของโยคีที่เมืองลีสิเกตเขาอยู่ริมภูเขาอิมาลายพอแต่ข้าวๆเขาเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ศีนอิมาลายกับศนิดแล้วกลับมากินอาหารไหลังหาไปเดือนกลับมาหาไปสองเดือนกับมันกินศีนะลอหาไปทัง้งชาติเลยครับเขาคิความตายเช่นั้นจะไปรวมกับองค์พระเจ้า สิ่งเช่นนี้พระหรือเจ้าในพุทธ่าลนาไม่ชอบันเพราะมันไม่ใช่เงื่อนต้นของดวงจันท ร, รน์เนา้สิ่ที่พระเจ้าชอบใจพระเจ้าชอบใจก็คือสิ่งที่เรียกว่าอาทิตยคมจันมรเราตั้งแต่การํารวมอินทรีย์รู้จักการบริโภคปลูกพืชคําป็นเครื่องตื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนื่องกับการปลุกดวงจิตให้ตื่นขึ้นสี่งนี้สาคัญ สีปแปลว่าปกติสม่ำเสมอคือปฏิบัติอยู่อย่างนั้นอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่สวันดีนสี่วันข้าวีเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับความผิดพลาดซึ่งคนอื่นจะต้องกาปรับมาบอกเพราะนั้นเป็นสีข้างนอกครับแต่เป็นสีนของความปกติภายในซึ่งเจ้าตัวเท่านั้นจะรู้ครับแต่อยงก็ตามนะครับเมื่อมีการตั้งสติดูความคิดตั้งใจที่จะสารวจลึก ตำรวจอย่าง่องแท้แล้วความปกติจะประปากฏขึ้นนีเองแสดงว่าวิปัสนาทําให้เกิดศีลได้ครับนั้นผู้จ้องจดว่ า, า, ว า, วายาดูแคลนปัญญาบางคนอาจจะดูไม่เคร่งครัดในศีลแต่ไม่ใช่เขาจะไม่รู้เรื่องลึกของชีวิ ต, นะตกรมีภาษาลิบุตรอาจารย์ลุงนรานเขาแก้ต่างให้ว่าท่านคาดการท่านจเกิดเป็นลิงพราะเมื่อท่านเดินไปเห็นแอ่งน้ำน่ากระโดดเลย ดูคล้ายๆไม่สํารวมสิ่งนี้เราต้องระมัวังให้ดีนะครับแยกแยะว่ารูปการภายนอกรูปแบบที่ครูบาาจารย์เราเป็นหรือรูปแบบของการภาวนามีความสำคัญน้อยกว่าเนื้อหาภายในถ้าเรา ย, ยึดถือรูปแบบภายนอกว่าสำคัญกว่าเนื้อหาภายในมันจะบดบงังจนโตไม่ขึ้นครับไปเห็นเปลือกเป็นกันเห็นทุกที่เป็นกันไป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 เพื่อนละนิวรณหซึ่งเป็นอุปสรรคร้ายแรงเทียบเท่า พ, พยามาณและเซนาเนะครับเมื่ออุปสรรคร้ายแรงหรือสิ่งที่นิวรณหระงับแล้วจิตบรรลุฌานหรือเทียบฌานเป็นอัปนาหรือหรือใกล้เทียบฌานหรือเข้าไปถึงฌานแล้วถอนตอนถอนขึ้นมาอาศัยพลังของฌานที่ไม่ได้ทําแล้วซึ่งเลิกทําแล้วนะครับพิจารณาโลกพิจารณาขันธ์ห้าในแง่อังจายหลัก หลักเกณฑ์นี้รู้กันทั่วในป่าเซลว่านะครับดูว่ามันเป็นหลักดั้งเดิมพิจารณาจะงี้แต่หลักคือพิจารณาเห็นว่าฐานห้านั้นตั้งแต่รูกจนถึงยินยางนั้นไม่เที่ยงแตณห า, า, าตานะ่อในบทสวดมนตไม่มีคำว่าทุกนะทุกนั้นเป็ น, ปนบทผนวกเพื่อสารเชื่อมกับวาระจิตของมนุษย์เท่านั้นแต่โดยสัตธรรมธรรมชาติไม่มีคำว่าทุกอนิจจังกับอนัตตาเท่านั้นลูกเป็นอนิจจัง ลูกเป็นอนัตต า, วาเาวทนาเป็นนิจตาเวทนาเป็นอนัตตาในบทนั้นไม่มีคำทุกข์นะเมื่อพิจารณานี้แล้วก็มีความเชื่อว่าจะคลายกําหนัดคลายออกสิ่งเคยึดติดก็จะคลายออกคลายกำหนัดนิพิทาวิราคะวิมุตติหลุดผลรู้ตนหลุดผลนะบทเช่นนี้ชาวพุทธเสรีว่ารู้กันทั่วกันหมดครับเป็นคิดดีบท เป็นลักษณะของอะคาเดมิกการสอนเป็นลาดับขั้นตอนแต่ผมว่าเต็มเรื์องวิศว์สอทฤษฎีนี้และโดยเฉพาะยิ่งตอนพิจารณานั่นเองจิตที่ยังติดยึดในอารมณ์อยู่พิจารณานก็ติดทันเดีครับพิจารณานไม่ได้ในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าว่าผ่านประตูก็ไปแล้วการการเห็นนี่นมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติสิ่งสําคัญความจริงไม่ได้เกิดจากการพิจารณา ไม่ใช่พิจารณาแล้วจึงเห็นไม่ใช่คิดแล้วเห็นแต่เห็นสิ่งสภาวะจึงเป็นอยู่แล้วดังนั้นแสดงไม่เกี่ยวข้องกับความคิดการเห็นที่สมบูรณ์นั่นเองอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราต้องมานั่งพิจารณาว่าสิ่งนี้เป็อนอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ามันเป็นอนัตตาเมื่อเราพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาสมมติเราย้อนมาดูที่ภาวะในตัวเรานะครับ อนนี้จังทุกขงกังนัตตาเป็นอยู่โดยมีชื่อครับเป็นอยู่แล้วโดยไม่มีชื่ อ, อ, อทำมาบัญญตัติถูกบัญญัติขึ้นทีหลังเคลื่อนอาการคลิกตาหายใจเข้าใจออกนิ่งไม่ได้ขยับขยืน่นนี่คืออาจารย์อนิจจังพอควบคุมเข้าคุมไม่ได้นานร่างกายจะสั่นเทิมขึ้นมาเป็นนั่งนิ่งซะกอ่อนลงความตามที่ผมเข้าใจก็คืออ น, นิจจังทุกขงกังนัตตาซึ่งเป็นลักษณะสากลญของสรรพสิ่งนั้นเป็นอยู่แล้วโดยไม่มีชื่อครับพุทธเจ้ามาเปิดเผยขึ้นมาดังนั้น ถ้าไปพิจารณาก่นอีกการเป็นซ้อนเข้ไปการเอาสัญญาเข้าไปซ้อนกันาไปเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามนะครับแต่ผมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆว่าการชำระให้มีการเห็นถึงบริสุทธิ์พอเพียงเลยครับที่จะเข้าใจความหมายในส่วนสุดเกินนอกความคิดนะครับว่าอันนี้จังทุกขังนัตบาหมายถึงอะไรโดยไม่ต้องมีความคิดเลยตราบใดที่มีความคิดอยู่อันนี้จังทุกขังนักตายัางเป็นของเพียงครับ ยังเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเอง